เรื่องความจําในในสมัยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะคืออยากจะทราบว่า้การจําเนี่ยจํามากน้อยแค่ไหนจํากว้างขวางหรืออย่างไรเนี่ยตรงนี้มีความสําคัญไหมครับเจนท่านีกล่าวไหมครับเพราะการที่จะจําทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าสมัยไหนแต่ลักษณะการจําที่ฉลาดจำหรือว่าจํามีหลักเกณฑ์ยังไงท่านเคยมีมัม้ยในตัวของพระอาจารย์ หรือว่าฟังแล้วจำเลยเพราะว่าบา ง, บางคนที่ปัญญาดีจริงฟังแล้วจำเลยก็มีใช่ไหมฮะแต่บางคนจำไม่ได้แต่ก็เอามาท่องนะเอามาเพ่งเอามาท่องจนจนจำได้ก็มีใช่ไหมที่ผมพูดหมายความว่ามั น, นมันนะมันต้องจำแค่ไหนใช่ไหยคือถ้าอย่างเอแล้วแต่ความต้องการของเราเหมือนกัน ถ้าเราต้องการสมมุตินะถ้าเราต้องการเข้าใจคําอธิบายจริงๆนะเราต้องจําตัวหลักเดิมให้ได้เช่นถ้าเราต้องการเข้าใจอัตรกระถาเนี่ยเราต้องจําบาลีให้ได้คือจําเนื้อหาในที่เป็นพุทธคดให้ได้นะเราจึงจะไปอ่านอัตกระถาเรื่องเพราะอัตรกระถาเขาไม่ได้ขยายตามตามลําดับทุกคําไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าที่อื่นท่านขยายแล้ว และอย่างหนึ่งก็อาจจะจําเฉพาะหัวข้อเอาไว้ก่อนก็ยังดีจำหัวข้อเช่นเนี่ยทำมันอยู่อัดพันอยู่อัดตันอยู่มัดตันอยูกาลันอยูปริสารอยู่แล้วก็ปุคละอ่านะปุคละันอยู่หรือปุขละปรุปรันอยูเนี่ยก็จําหัวข้อเหล่านี้ให้ได้ก่อนทีนี้ค่อยมาจําต่อไปอีกว่าเอ๊ะอย่างไรชื่อว่าอัดพันอยู่ก็พอได้ทำมันอยู่อ๋อพระรู้ก็ได้พิดกจำเนี้ครับมัดตันอยู่ก็พอได้ อัดทันยูเพราะรู้ความหมายของพระจติดดฎกทีนี้ต่อไปถ้าอัดตันยูว่ารู้ตัวเองว่ามีศรัทธาสินสุตตะจ า, ข า, ากข้าพัญญาแท่ไหนนี้ต่อไปมัดตันยูก็คือรู้ประมาณในการรับอีกข้อต่อไปการรันยูว่าเวลาไหนควรทําอะไรปริสันยูว่าเมื่อบคุคคลทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องเราควรเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายก็รู้ความยิ่งความหย่อนเพราะงั้นโครงสร้างอันนี้มันต้องจําให้ได้ จำได้ไม่หมดก็จำโครงสร้างก็ยังดีแต่ถ้าจำได้หมดก็ดีก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าจำไม่หมดก็จำหัวข้อหลักการใหญ่ๆเอาไว้ก่อนทีนี้ถ้าจำได้อย่างนี้ถ้าได้แต่หัวข้อหลักการใหญ่ๆเนี่ยอันนี้แปลว่ามีงานต้องทำต่อเพิ่มอคือไปตรึกเรื่องนั้นให้มากๆแต่ถ้าคนที่จำได้หมดจริจงๆเนี่ยการตรึกไม่ใช่เป็นของยากการเอาไปใข้ควรวนเนี่ย แต่หลักของการจําแล้วท่านบอกว่าให้จําเนี่ยนะเราเป็นผู้มีสุตะทรงสุตะทรงจําสุตตะตทรงจำธรรมะที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็จําเบื้องต้นข่ามกลางและที่สุดที่ประกาศพรมาจำเนี่ยนะพรอ้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชนิงแล้วก็ไปไข้ควรเนื้อความอันนั้นแทงตลอดด้วยดีด้วยทิถีมีความรู้ความเข้าใจในส่วนทั้งอย่างนี้ แต่ลืมในคําสอนของเรานั้นถามว่าการเรียนการทรงจําเนี่ยคือเอาอะไรเป็นเครื่องวัดอย่างทั่วๆไปนะอย่างวิชาทางโลกนะผู้ที่จะสอบเนี่ยถามว่าเขาต้องจําแค่ไหนมสมมติถ้าสมมุติอ่าวันนี้วันนี้เป็นวันสอบนี้่นักศึกษาทั้งหลายที่เรียนมาเพื่อจะสอบเนี่ยเขาเขาต้องต้องจําไว้แค่ไหนเอาให้มันสอบผ่านกับสอบไม่ผ่านนะจําแค่ไหนจริงจะสอบผ่านได้อันนี้ทั่วทวไป อันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจําวิชาทั่วไปบางสายก็เพื่อที่จะให้สอบในสิ่งนั้นให้ผ่านไปก่อนอันนั้อย่างอื่นเพว่อไหทีแต่ถ้าทางธรรมะนะก็มีวัตถุประสงค์ในกาถามว่าจําแค่ไหนก็หรือฟังมากขนาดไหนหรือต้องจําแค่ไหนเขาบอกว่าจําแล้วมันคู่ควรแก่การบรรลุอริยสัจได้เอาแค่นั้นแหละเพราะวัตถุประสงค์ของเราก็คือจุดมุ่งหมายเพื่อการแทงตลอดอริยสัจ เราก็ฟังจนว่าแค่ไหนก็ฟังจนเข้าใจอริยสัจถ้าเราจะต้องจำอ่ะจำจนมองเห็นอริยสัจเอาแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือเราอยากกระสอนเรื่องอริยสัจคนอื่นหรือไม่ก็ค่อยว่ากทีนะึงแต่ถ้าได้ก็ดีะนะคณะค่อยๆย้อนลำดับขึ้นมานะก็รู้ความยิ่งความหย่อนของบุคคลว่า บุคคลเนี่ยมีดีหรือมีไม่ดียังไงเช่นบุคคลเนี่ยที่เขาเป็นคนเนี่ยถ้จะว่าดีมันดีแต่ถ้าว่าโดยความเป็นคนนีก็ดีดีกว่าบายนะทีนี้นคนเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นสองพื่ออยากเห็นกับไม่อยากเห็น่าตุยะก็แบ่งเป็นสองพวกอยากเห็นก็แบ่งออกเป็นสองคือเห็นแล้วอยากฟังอีกคนก็เห็นเฉยๆไอ้พวกเห็นแล้วอยากฟังก็แบ่งเป็นสองคือฟังแบบตั้งใจกับฟังแบบไม่ตั้งใจพวกที่ตั้งใจก็มีสองพวกที่ฟังแล้ว ตั้งใจฟัง เ, ยเฉยๆกับจําด้วยก็ควรชมอย่างนงี้ไปเรื่อยมันเน่ยพวกผมมันวาสนาน้อยบุญน้อยอนะสมมุติว่าจะทั่วไปจะปฏิบัติทําตามนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งบุคคลที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะฮะที่จะเป็นผู้ที่สมควรที่เราจะเข้าไปก็ก็หายากอยู่แล้วหายากจริงๆถ้าเราจะฟังใครก็ได้อย่างนี้นะก็เรียบร้อยเหมือนกัน ถูกไหมฮะฟังเสร็จแล้วถ้าจะบอกว่าเออฟังแล้วนี่นะเห็นแล้วแล้วนะบางคนอยากเห็นใช่ไหมบางคนเห็นแล้วอยากฟังด้วยนะถ้าไปฟังบุคคลอย่างนั้นก็ก็เสร็จเหมือนกั น, นแล้วถ้าเกิดไปจําอย่างนั้นด้วยนะไปกันใหญ่เลยถูกไหมฮะไปจําไ็นสิ่งที่ผิดอะไรอย่างงี้ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บุญน้อยจริงๆนะถ้าสมัยพุทธกาลอย่างนี้นะโอ้โหแจ๋วจริงๆนะบุคคลที่เราจะเข้าไปฟังก็ก็าหาไม่ยาก ฟันะงแล้วก็ก็เป็นคนที่จําแม่นด้วยเพราะคนสมัยก่อนนี่อุต zakja แล้วน้อย ถ, ถ้าพูดถึงสมัยพุทธกาลนะถ้าเราเกิดเมืองไทยนี่ก็ยอกกว่านี้เยอะเพราะว่า โ, โหมันมหาปั จ, จันตรชนนบทเลยนะประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเมืองไทยได้วยนะแล้วสมัยพุทธกาลด้วยนะยุ่งแน่เรียก <c oughs> ว่าบันนอกสุดกูเลย <c oughs> ใช่ไหมครับโอโหเพ้นนะ มันจะต้องเดินทางแล้วห่อข้าวใส่เข้าสารไปกี่กี่กี่ถังอ่ะ น, นะมันยิงจะพอกินไปถึงพระพุทธเจ้าอ่ะ น, นะห่างมากแล้วขึ้นเขาไปอีกกี่ลูกเนี่ยนะผ่านอีกไม่รู้กี่ประเทศง่กว่าจะถึงนั่งถ้าล่องเรือไปก็เป็นเดือนอนั่นแหละนะ น, น, นะนบว่าห่างมากถ้าเกิดประเทศไทยนะแล้วสมัยพุทธกาลด้วยก็ไม่ต่างกันนะนี้ดีกว่าแต่หมายถึงว่าเกิดสมัยพุทธกาลแล้วเป็นชาวเมืองสาวถีหรือเมืองราชเครืกเนี่ยนะ หรือแถวแถวพาราณสีก็ยังชั่วหน่อยแต่ตอนนี้เอาไหมจังเกตุดาอยู่พาราณสีเลยไม่อานะดีแล้วเกิดเมืองไทยนะยอมที่ไปอินเดียบอกแมปุนเรือเกินที่ได้เกิดเมืองไทยก็ว่างัน